Yeah. กูทำเพลงเพรยังวหวาดหวั่นที่สวยงามเก็บทุกร ล, ละเอียดที่มันผ่านมันตรงนั้นกูยังคงจะสู<ช>้ถึถไม่มีใครมาฟังมั้ราบใดที่กูยังไม่ตายกูยังกูตามทันเรื่องราวในเพลงที่เพลง น, น, อ น, นมมล่อนยผ่านมาเมื่อทุเรื่องดีๆะเรื่องใหญ่ๆที่เคยจะมาะต่างมีบางคร้ที่จ้อใจและเกิดจะหมดหวงกูเลยปลอตัองว่งมาไกลก็จดกับา เวลาไม่เคยคิดจะคอยใครและวันเวลาไม่เคยคิดจะฆ่าใครอยากไปทำอะไรก็ทำอย่าเดแต่ลีล้อทำสายเกินไปมันจะมีโอกาสอีกต <Downtown. S 1> ื่เริ่ม <Music S 1> เปลี <the> ่ยนเพลงบอกอายุปุริมีหลายครั้งหลายคราวที่ชอบสุดสำคัญที่ทุกคนเกิดมาได้กพทุกคนได้โชคดี กันกัน มาในวันที่29ตุลาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประจักษ์ในตอนเช้าเจ็ดนาฬิกาเหมือนมีความหวังใหแม่กูสู้ถึงแม้จะถอนในบางที่บางคนก็คงไม่ค่อยเข้าใจกูไม่เคยเจอเพราะตั้ง20ปีอาจดูเหมือนว่าการเวลามันเปลี่ยนหลายสิ่งไปจากชังเมื่อชีวิตดนบิบบังคับหลายๆอย่างไม่เป็นดังฝันหันไปมองรู้คนอื่นชีวิตเขาช่างมีดีเพราะต่างกับเราเรื่องราด่หลายอย่างบางครัค้งก็ต้องมืนนอนร้องง่าชีวิตมันไม่ง่ายทุกปลุกไป สักแมลงฝากกันให้เราเข้าดามฝนที่มันไม่ง่ายจะล้มแล้วก็จะลุกเดินไปตามทางที่กูก่อนถึงมีแค่กูและเสียงดนตรีแต่นี่มันคือชีวิตฉันอาจจะรู้ว่าหลายซึ่งทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปแต่คุณก็รู้ผมไม่เคยเปลี่ยนก็ยังคงเป็นสโลแกนอาจจะมีบางวันที่ท้อแต่ยังคงเดินตามกฎแกณฑ์ทุกๆทำที่กูสบพบดพบคุณก็รู้ว่าผมน่ะคิดเอง จ, องจำเรื่องที่ผ่านมาแก็บ มาเขียนเป็นเพลงจดการเดินทางของตัวเองตักต่วันนั้นจนวันนี้มีสุขสุขกันมากมายแม้จะพอตัดหนึ่งที่มาได้จดไฟเหมือนเป็นบานทึกตอนนี้คือบานทึกกันเดินทางุูเดินออกมาและไม่ยอมกลับเข้าไปเองไม่เข้าใจผู้คนแต่กลับเข้าใจในตัวเพลงก็เหมือน เรดนมาตามฝันตลอดทาอ้ายยังจด บ, บันทึกนิทานเรื่องยาวเพียงอยากเห็นฝันคุงดูตลอดการบางเวลามีบางเรื่องให้กูต้องเก็บมาคิดกับค่อยวาจาที่ชวนเชื่อว่ากูจะเก็บมาที่สวยใช้ชีวิตตามคําปากของใครทั้งที่กูใช้สองปีเพื่อหัดเขียนรำเพื่อล่าความฝันของใจไล่ไปตั้งแต่หัดจําทําได้แค่ของพยานท้ายแต่ตอนนี้มึงต้องหัดฟังพวกกูทําให้ใครอยายง บังคับจะฟังไม่ฟังแค่ฝันของกูทุกวันไม่พังดีกว่าเดินตามฝันไม่ทันแค่ได้ท ำ, ทำก่อนจบชีวิตที่เนิ่นนานขอเล่าเรื่องเราที่ได้พบเจอระหว่างที่ฉันเดินทางต่อยานเรื่องทิดพา เหมือนเป็นบ้านชึกคนจะคือบ้านชึกกันเด